พอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดถึงสัจปปหะคือหมวดที่ว่าด้วยอริยสัจทั้งสีประการก็เป็นองค์ธรรมชุดสุดท้ายในมาสติปัฏฐานสูตรที่พรเจ้าทรงเริ่มมาจากกายเวทนาจิตธรรม โดยเห็นว่ากายก็ว่ามาเป็นตอนๆมาเลยแต่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็อิริยาบทย่อยทั้งหลายอิริยาบทใหญ่ทั้งหลายกิริยาบทย่อยแล้วก็อาการสามสิบสองแล้วก็ธาตุสีเร่ป่าช้าเก้า็เป็นเรื่องของกายในแง่มุมต่างๆ โดยจุดมุ่งหมายก็ถือต้องการขาจัดอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้แล้วก็โธมนัตซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นความไม่พอใจไม่ยินดีคือกิเลสประเภทโทสะกับกิเลสประเภทราคะโลภะนะเราถามว่าโมหะอยู่ที่ไหนก็โมหะก็ซึมอยู่ทุกแั้งอะ่ะทีนี้พอเวทนาเนี่ยจะส่งจำแนกเวทนาไว้ค่อนข้างละเอียดมากคือจริงๆเร า, เราดูไม่ทัน เป็นว่ยแต่เราฝึกสติจนชำนาญแหลมคมได้จริงจริงจึงเห็นจึงเห็นที่มันเจออามิตรหรือไม่เจอือวยอามิตรอย่างเงี้ยมันก็ดูยากตรงนี้ทรงจำแนกไว้เก้าแล้วก็มาถึงจิตเนี่ยทรงจำแนกไว้สิบกว่าชุดคู่ด้วยกันนะเป็นคู่ด้วยกันรู้สึกเจะดสิบหกเออแปดคู่นะฮะจะเป็นสิบกชุด เป็นเป็นเป็นแปดุดสิข้อพอมาถึงธรรมะก็เอาหมดเลยทั้งกุศลนะกุศลนะก็กลางกก็หมายความว่าในธรรมะที่เราพูดมาในตอนต้นหรือแม้ตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยที่จริงก็มาสรุปเจริยสัจแต่ก็เป็นปริยายเทศนาของพระพุทธเจ้านแนวของพระสูตรก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นแนวที่จําแนกแสดงไว้โดยนัยะต่างๆใครจะถนัด เข้าประตูเมืองทางไหนก็เข้ามาก็ไม่ได้ว่ากันถึงจุดหนึ่งก็ถึงเมืองได้กันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสรงแสดงอีกวิธีหนึ่งคือแสดงโดยสรุปเรนว่าทุกเนี่ยมันเป็นปริยาตประธรรมคือยังไงยังไงเนี่ยเราไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอกมันเป็นผล จริงๆแา เ, เราชอบไปอยู่จากมันให้ได้มากที่สุดต่อ ท, ทมากได้เพราะเราเห็นว่าในความเกิดแก่ตายเนี่ยซึ่งเถื่อเป็นสภาวะทุกข์มันก็กลายเป็นองปกรรฐานได้เยอะแล้วก็เป็นคําสอนได้ทุกระดับระดับศีลธรรมจัญญาระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาระดับหลุดพ้นไปทีนี้ ในกลุ่มของกิเลส ท, ทั้งหลายซึ่งก็มีอยู่ทั้งในส่วนของวิตามุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปสนาแต่าถามว่าเวทนามันมีหมัหยที่จริงเวทนามันก็มาจากตัญหานะรัแต่เราไปมองเฉพาะตัวเวทนาเวทนาเองก็มาจากกิเลสมาจากกรรมมาจากกิเลสกายเองมันก็เป็นผล ผลของชาติคือความเกิดไอ้ความเกิดมันก็เป็นผลนีละ่ะเป็นผลมาจากวิญญาณอาวิญญาณเองก็เป็นเป็นผลมาจากกรรมกรรมเองก็เป็นผลมาจากอาวิชชาก็พูดไปพูดมาก็ไม่พ้นตัวคนเนนะตัวคนแต่ละคนเนี่ยพูดไปตะไรกระตามวนะันก็อยู่ในตัวเราทุกทุกคนทีบางทีเนี่ยจากการสังเกตในวันจันทร์ที่มีการทํามปัญหา คือคนบางคนแกถามทุกคืนถามทั้งสามสี่ครั้งแล้วถามแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นการโอร้อวดว่าตัวเองเนี่ยเรียนธรรมะอภิธรรมมาคือปัญหาลักษณะนี้ไม่สามารถตอบในที่อย่างนี้ได้หรอกเพราะว่าคําแด่ละคำเนี่ยมันจะต้องอธิบายคือเขาพูดกันในในชั้นเรียนกรรมฐานชั้นเรียนอภิธรรมเว้การการพูดในลักษณะนี้มันแสดงสถานการของผู้ถาม ต้องการจะโอ้อวดต้องการโชว์ตัวเองและในขณะเดียวกันเนี่ยต้องการจะดูหมิน่นผู้ตอบเพราะฉะนั้นเสียงเขา จ, จะกระด้างเกิดแสดงอหังการใหญ่โตมากแต่ผลท้ายที่มีคนก็มีจดหมายมาทงติงบอกว่าไม่มีโอกาสกดเข้าไปคนพวกนี้ก็กดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า แต่ที่เราจะมองธรรมะคือการศึกษาธรรมะเนี่ยมันลือมามีสามแนวแนวหนึง่งเขาเรียกอลักษตุประมาณปริยัติมันเรียนแบบอสรรพิษคือพ้นพิษสายการโอ้อวดการแข่งดีกันแสดงหางการตัวเองก็รายการแนวนี้มันจะมีอยู่เยอะในในประเทศเนี่ยบางทีการเมืองเนี่ยคนคหนึ่งก็แทรกอยู่ทุกแห่งไปได้ยคนนี้แหละไปได้วคนนี้ก็คือทดลองให้เด็กเขาเปิดวิทยุ ตอนเดินทางจังหวัดเนี่ยลองลองเช็คดูว่ามีใครที่ถามซ้ำๆถามทุกคืนนี่แม้แต่รายการธรรมาร่วมสมัยของผลตรี ท, ทองขาวพวงรดพันเนี่ยมีบางคนก็พูดทุกคืนแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเองแต่ว่าแสดงภูมิปัญญา คพา่นธรรมะในแนวอรรถกัตุประมาปริยัตยิมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นการเพิ่มบาปแต่ละครั้งเนี่ยกิเลสมันนำมาก่อละคือเราสังเกตได้ว่าคำถามทั้งหมดเนี่ยแกรู้คำตอบหมดละเพราะแกอ่านหนังสือมาทีนี้มาถามเนี่ยมันก็ไม่จะถามเพื่อเทียบเคียงอะไรแตถามเพื่อจะโอดัวบวตัวเองแล้วก็ดูมินผู้ถามแทนพูดอบแท น, นเอง ซึ่งว่ามันไม่มีใครไปตอบอะไรได้หมดหรอกคนหนึ่งก็เตรียมคำถามมาอ่านหนังสือเตรียมคำถามมาคนหนึ่งไม่รู้ว่าจะถามตรงไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าอาศัยที่เราเคยเรียนมาเราก็ตอบได้แต่มันปัญหามันได้ประโยชน์อะไรอ่ะมันได้ประโยชน์อะไรอ่ะคิดอะไรเลยบ้าง กาเลนะธรรมสากระชากาเลนะธรรมะสาออนังเราต้องการสิ่งที่มงคลมันเริ่มในความคิดที่เป็นอัปมงคลแล้มันไม่เป็นมงคลนนเนี่ยในแนวตรงนี้เราจะเห็นได้อย่างหนึง่งว่าเป็นไปเพื่อจางเพื่อคลายเพื่อลดเพื่อละเพื่อบันเทาเพื่อสงบเพื่อระงับเพื่อดับนั่นจะต้องออกมาลักษณะอย่างนีน้มันจึงจะเป็นอัปมงคลเ จ, จึงจะเป็นอุดมมงคล เพราะในในอาเดียสัตว์เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆในทุกสัตว์เองเนี่ยก็ทรงแสดงไว้ทุกสถานะแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าจะใช้ในมุมไหนละ่ะแล้วเรจะเห็นว่าจะไม่แยกจากกายกับจิตหรือรูปกับ น, นามอย่างที่สํานวนอริยธรรมก็ใช้แลกรูปนา ม, มานามมารูปแปลกระต า, าซึ่งว่าอาจจย์ความจริงใช้คําว่านามมารูปพูดกับคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่อง เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนมาแล้วก็พูดภาษาที่ชาวบ้านเขาเข้าใจอะทยังไงผู้ภาษาชาวบ้านเขาเข้าใจคือเวลาการการพูดการแสดงเนี่ยมันต้องคิดว่าผู้ฟังจะรับประโยชน์อะไรได้รับประโยชน์โดยพิธีใดและโดยการสื่อสารในการแสดงยังไงมันไม่ใช่ไปโอ้อวดว่าผู้ฟังจะรู้ว่าเรารู้เรื่องอะไร ถามปัญหาที่ตอบไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยก็ไม่รู้จะถามทำไมคือถามถามบางอย่างเนี่ยเราเห็นในชัดว่าเขาถามเพราะสงสัยข้องใจถามเพื่อเทียบเคียงถามเพื่อต้องการรู้ถามเพื่อต้องการได้รับการอนุมัติว่าตรงไมหมทีเ่เขาคิดเห็นมาอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าเป็นผู้ใครเรียนใครรู้ การศึกษาจึงต้องมาในแนวคเรนิศริยะปริยัตินิศริยะปริยัติคือเพื่อจะสลัดออกจากกิเลสแต่ก็ความทุกข์เป็นการศึกษาของมิจุลชนทั่วไปจะต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ได้พันธกาศอีกประกา ร, กปรเป็นการศึกษาแบบขุนครังที่รักษาสมบัติของแผ่นดินเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน นันคือการศาึกษาของพระอราหันต์ทั้งหลายทั้งการสแสดงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องการจะเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเขาเรียกว่านิพิทาเวลาข้าวอมุตวิสุทธิสันตินิพพานอย่างน้อยก็เพื่อเกิดความเบื่อนหน่ายเพื่อคลายกำหนัดแล้วก็เพื่อสํารอกความกำหนัดออกไป จนดับกิเลสได้บางระดับก็ไปเรืนะ่อยๆนะฮะคืดเรื่อยๆศาสนาอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่ปฐมเทศนาญาปัญญาญสมุทัยญาณิบานญาทัศมาตติเกิดจากุกรณียานกกรณีัสมายาปัญญาญสมุทัยญาณิบานญาทัศมตตินี้ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ตน้นเพื่อพัฒนาตาปัญญาขึ้นมาจนเกิดเป็นญาณทีนี้ถ้าตาปัญญาเกิดญาณเกิดเนี่ย มันจิตมันจะสงบเรียกอุปสสมายะคือจิตมันสงบจากกิเลสพอสงบจากกิเลสความรู้ก็สูงขึ้นหมายความมาดวงตาปัญญาดวงตายานมันสูงขึ้นเขาเรียกพญนายะเป็นอภิญญาคือความรู้ยิ่งขึ้นพอถึงจุดหนึ่งก็ตทัสรุปพ ร, รัสรูปก็ น, นิพพานเป็นจิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นประนีตขึ้นไปเรื่อยๆนะ นั่นคือวัตถุประสงค์ในการแสดงแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยกล่ากันตรงๆุไปเลยะลเราเห็นว่าพอถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่จะชัดเจนวัตถุเนี่คือกัมมุดรู้เลยสมุทัยนี่คือละเลยไดเห็นโทษนิโรกก็คือทำให้แจ้งมันเป็นเปล้าเป็นเป้าหมายแล้วก็มรรคก็ควรจเจริญธรรมะเหล่านี้ที่จริงก็คือมันผ่านมาแล้วทั้งหมดแต่ก็เสร็จแล้วก็มาสรุปรวมที่อริยสัจสี่ มันก็แนวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าปุราณาสันนีคือธรรมะที่พระเจ้าทรงเทศทรงแสดงทรงสั่งสอนมากเป็นพิเศษเนี่ยมีลักษณะเป็นบันไดเก้าขั้นตายกันไปได้เลยเป็นทานเป็นศีลเป็นสวรรค์เป็นโทษของการมรเป็นอนิสงส์การออกจากกามแล้วกูบายวิธีที่จะออกจากกามมันคือเข้าไปเรียาาสัตสีเรียกว่าสัมโบรานุสาสนี คือธรรมะที่ส่งแสดงมากสั่งสอนมากคือเรียกว่าอนุปปิกถาและอริยสัจสี่ก็รวมแล้วก็เป็นเก้าข้อด้วยกแต่ว่าเวลาสอนเนี่ยไม่จะสอนเต็มที่เก้าข้อก็แล้วแต่ แ, แต่จะยกตรงใดขึ้นมาเราเช็นว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่างกายอนุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนสนาสติปัฏฐานเปนการแสดงกรรมมธินบคือโทษของกา ร, รม ในการแสดงโทษของกรรมแล้วก็พอมาถึงจิตนี่เราจะเห็นชัดเลยว่าเอ็นโทษของกรรมอ น, นิสงส์ที่จะออกจากการรมหลายคนพูดง่ายว่าโทษของกิเลสอ น, นิสงส์จะการออกจากกิเลสพอมาสรุปรวมไว้ที่ฐิธรรมก็จะมีลักษณะอย่า ง, งนี้เพราะในริยาสัตว์เนี่ยที่จริงก็ทรงเริ่มเหมือนที่เราสวดมนต์ธรรเช้านะฮะเือริยาสัตว์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่านิ ป, ปริยาย เทศนาในเชิงที่เป็นนิปริยายอย่างนี้ทุกทีแหละครั้งที่ไหนเมื่อไรอย่างไรโดยใครก็ตามอริยสัจ ต, ต้องเป็นอย่างเงี้ยไปพูดอย่างอื่นไม่ได้ละเพราะมันไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปได้จะเราจะเปิดพูดว่าความเกิดเป็นสุขนี่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยความแก่เป็นสุขความตายเป็นสุขมันเป็นไปไม่ได้ถ้าก็ต้องทุกข์แก่ก็ต้องทุกข์ตายก็ต้องทุกข์ ความโศกความร่ำไรรำพันเหนได้ชัว่ามันก็เป็นทุกข์มันเกิดมาจากการพละดพราคสูญเสียแล้วก็ใจก็ไม่ตั้งหลักมันก็สาโศกแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องสศรโศกมันอยู่ที่แต่และเรื่องนี่เธอคิดย่างไงที่นี้ในบริษัทเนี่ย ตอนที่สติปัฏฐานมาสติปัฏฐานาสุด ต, ตอนนี้เขาเรียกสติปัฏฐานนั้นสุดนะคือว่าถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานาสุดแล้วก็วิจิตพิจดากว่านี้ก็สติปัฏฐานาสุตมันอยู่ในมัชสิเมติกายแต่มหาสติปัฏฐานนี่อยู่ในที่คณิกายทีิกายมหาวัตแต่ข้อความก็คือกันนะนะข้อความก็สอดคล้องกัน ทรงขยายแต่ละคำโดยพระองค์เองคือบางทีนี่เราก็เราก็พูดเราเองคดูวตรงนี้พูะเจ้านนยามวมาอย่างไรพูะเจ้าเป็นเจ้าของธรรมพระเจ้าจะตตโรหลวงก็เอาตามที่พูะเจ้าท่านว่านนั่นแหละรับสั่ง ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยรรสัจสภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยรรสัจสี่อย่างไดเล่าภิกษุในธรรมีในนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้ทุกกัสมุทยัยนี้ทุกกัณิโรดนี้ทุกกัณิโรธคามินีปฏิปทฏฐานเห็นไหมว่าขึ้นมาก็แนวเดียวกับอริยสัจ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 อันหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้สติที่มันมันรู้สึกว่ามีทุกข์เราทุกเป็นทุกอะไรต่อมันก็เหมือนกับที่ ท, ท่านอธิบายไว้ในอุเบขาสมุทชงเนยคือเอาข้อจริงเนี่ยมันไปเศร้าโศกไปเสียใจยเรื่องอะไร อย่างสำนวนที่พระประตาจาราเทรีท่านตอบคำถามของคนที่มาสอบถามเรื่องการพราดพลาดจากลูกกันเป็นที่รักเนส่วนมากผู้ผู้หญิงที่ลูกเล็กๆตายจะมาสอบถามจากท่านว่าทําใจยังไงคิดยังไงอ่ะตอนตอนนั้นที่จริงท่านเองก็เปเหมือนกันนะแต่ว่าที่หลังเนี้เมื่อท่านรู้ขึ้นมาเนี่ยท่านเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ แล้วก็ทำให้ท่านตอบคำถามที่เขาข้องใจสงสัยให้เห็นว่าคือเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก่อนจะมาเกิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตว่าจะมาเกิดเวลาจะไปเนี่ยคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้บอกลาอะไร พัทนทํามจึงต้องเศร้าโศกเสียใจต่อคนที่มาก็ไม่ได้ขออนุญาตคนที่จากไปก็ไม่ได้บอกลาตอนนั้นท่านสรุปสรุปว่าเขามาด้วยกรรมของเขาก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาก็จากไปด้วยกรรมของเขาซึ่งก็หมายความมานี่เป็นหลักสากลคนเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแหละคือแต่ละคนก็มาด้วยกรรมของตนเองอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนเองก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนเอง แต่ว่าที่ท่านสอนให้ประโยคข่าวจารณ์พิจนารณาโดยเนื้อหาแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันแต่ว่ามีความลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตรงโน้นท่านผูกชาบ้านเราพูดอย่างเงี้ยผู้กชาบานแต่ว่าพูดกับระดับโยคาวจารณ์มันจะพูดอีกระดับหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ คือเจามาตามกรรมของตนแล้วเจ้าก็จะไปตามกรรมของตนเหมือนกันเจ้าจะไปผูกพันธ์ใครกันเล่าโดยการพิจารณาว่าไม่ใช่สัตว์อย่างนี้ว่าประโดประมาทแล้วสัตว์ก็ไม่มีเลยเจ้านั้นจะไปผูกพันกับใครคือมันไม่มีสิ่งให้ลูกพันนะ่ะคุณจะไปผูก พ, พันธ์กับใครอย่างนี้ก็ ย, ยกตัวอย่างว่าคำกรอนบทหนึ่งจึงถือว่าเก่งมากคนที่เขียนเรื่องนี้ออกมา ไพโรธนะฮะเรามาพบพบห่างกันหลายปีตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเนี่ยไปพบข้อความที่จริงเป็นสองบาทหลังแต่เราไม่รู้อะตอนนั้นแต่ตมานานหลายปีผ่านไปไปเผาศพที่วัดรประสีมาธาตุไปเจอเขียนอยู่ที่ฝาผนะันเป็นบาทเป็นบทแรก เราก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามันมาจากที่เดียวกันเรอในคราวหนึ่งเมื่อปี2528เราทำพิธีวิสาขาบูชาในเทศกาลวิสาขาบูชานะตอนนั้นคุณอาสาเมฆสวรรค์เป็นผู้ว่ากอทมเขาก็เป็นลูกศิษย์นะฮะบวชที่วัดอามาก็สอนหนังสือเขา ก็สนับสนุนเต็ที่แล้วก็ไปแห่พระทาห็นด้วยวกันไปตั้งต้นมาจากโน้นพระลานรรพระรมารปแห่กันมาก็คุยธรรมะกันแล้วเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาบอกเออจริงไงเราเราจำคนละคลังกันและเราไม่นึ ก, กว่ามาจากที่เดียวกัน พอพริกเอาบทแรกขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นว่าเออมันคล้องจองและเรื่องเดียวกันยศและลาภผาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิง้งไว้ให้บุงชนแม่ร่างตนก็ออยังเอาไปเผาฟไฟเป็นการแสดงถึงอนัตตาความไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วย้ำตรงเนี้ยเรเห็นว่าการแสดงอนัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตัวฉันตนเนี่ย ตรงนี้ภเยรอะแล้วของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวภเยรอะคือรับสั่งก่อนจะสวรรคตรแยกกายจากจิตกายก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของกายจิตจะไม่ไปไปตามกายของมันเธอปวดฉันไม่บวดอ่ะคนเรายิีเกี่ยวกันรับสั่งว่าแม้กายเราจะกระสับ ก, กระสายแต่จิตเราจกไม่กระสับ ก, กระสาย คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ไดไปฏิบัติตามแล้วสิ่งใดที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษไม่เนี่ยนัเทเถตังโลกัสมิงยังอุปาดิยะมานังอนาปชางังกัสะโอ้ยิ่งใหญ่มากเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นก่อนจากสวรรคต แล้วเปล่งออกมาอย่างมีสติสมัมปจญยะที่สมบูรณ์มากเดี๋ยไพ่รอบมากเพราะว่าเป็นการแสดงถึงการเข้าถึงสัจธรรมคือไจหลักเป็นวิปภาภาัสนาปัญญานะฮะเพะิ่นตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นวิปัสนาปัญญาเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะโอตะสุขสนุกสนายเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะอะไรแล้วก็ไปมือเปล่าไปเจ้ามายังมีตัวตนให้ไปนะตัวนี้ที่จริงยังมีตัวตวนให้ไปอยู่เพราะพูดในระดับของสังสารวัตร แต่ว่าที่พระอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยท่านพูดระดับปรมัติ์เลยเอาข้อจริงมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนให้เราไปยึดลมันจะยึดอะไรล่ะและการการการสอนตรงนี้มันก็ออกทุกครั้งตอนท้ายของของแต่ละบทเนี่ยมันจะเป็นบทสรุปของวิปัสสนาปัญญา อันเนึ่สติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่าทำไม่อยู่ก็เพียงแต่สักว่าความรู้เพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วคือไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราแล้วไม่มีรว้ความรู้สึกอะไรเป็นของเราสัวนคัญมากนะฮะคือตันหานี่คือเอตังมะมะหนั่นของเราหนึ่งของเราหนึ่งของเราก็เราก็เราก็ว่าอะไรไป เอาไว้จริงไอ้ตัวเราอย่ไเป็นของเราไอ้สิ่งนัน้นจะเป็นของเราได้ไงทีนี้คนเข้าถึงอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นความคิดระดับพระโพธิสัตว์นะสุเมตตดาบทที่คิดอย่างนี้ได้แล้วเราเห็นว่าพวกอรหัตภูมิเนี่ยจิตที่เข้าถึงอรหัตภูมิท่านมองอย่างนี้แล้วท่านถามได้แต่คนเราส่วนมากเวลาเราคุยธรรมะ ก, กันเนี่ยมักจะมีโทสะ คือเป็นเรื่องแปลกอะ่ะพอคุยธรรมะแล้วก็กลับเป็นเรื่องของการการทะเลาะกันจนบางทีก็พูดยากคือยังเป็นห่วงพระศาสนาเนี่ยเป็นห่วงมากเลยว่าเอ๊ะถ้าเรายังเรียนรู้กันในลักษณะอย่างนี้แล้วทำอย่างไงอะ่ะอะไรคือรูปธรรมที่เยาวชนรุ่นใหม่ก็จะเห็นความดีงามของธรรมะ แล้วแกมีฉั้นทอุตสาหะที่จะสืบสารสืบสารต่อไปเนี่ยมันคืออะไรซึ่งกสังคมต้องตอบให้ได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์กรสงูงสถาบันสงูงได้ต้องพยายามหาคำตอบตรงนี้ให้ได้เพราะนี่คือเรื่องเรื่องของสมมตินะไม่ใช่เรื่องของปรมาติ์แต่ว่าการขับเคลื่อนนำพาศาสนาไปเนี่ย มันเป็นเรื่องของโลกิยธรรมแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่มีตรงนี้เป็นฐานเหยียดเนี่ยมันก็ไปไม่ได้หรอกที่สำนวนลึกๆก็เรียกว่ามีนามรูปเป็นอารมณ์ถ้าไม่มีนามรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่เป็นที่พิจารณามันก็ตกก็จบเหมือนกันเพานก็ต้องมีที่เหยียดเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของปัญญาเป็นที่ตั้งของความเพียร แต่รวรวมมาเป็นที่ตั้งของความไม่ประมาทตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไปกำหนดหมายไปสิ่งนั้นเป็นนั้นตินี้เป็นนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งขั้ยากมันเกิดขึ้นแล้วอยากแล้วก็ยึดแล้วก็ยึดแล้วก็ก็เป็นของเราของเราของเราเราเป็นนยของเราแล้วก็เราเป็นเพราะว่า เราเห็นว่ามานะมันเกิดร่วมกันระหว่างสักยทิฏฐิกวิกับ ก, บกบตันหาคือทิฏฐิกัตตันหาในที่นี้จะเน้นที่ตันหาและทิฏฐิแต่ลืมจริงมันมีมานะอยู่ด้วยเพราะมันเกิดเป็นตัวตน่เป็นตัวตนเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นเราเรามีในขันห้าขันหมีในเราก็ว่ากันไป เราก็ถือว่าเป็นตัวตนนิทถาวรยั่งยืนพอไปมองสิ่งอื่นมันก็ถาวรยั่งยืนแล้วก็ความเห็นมันก็ปักดิ่งลงไปเป็นวิปลาสกิติธิบิปปาสทีนี้พอท่านก็ถึงความจริงเนี่ยตัณหาของก็สงบทิฏฐิของก็สงบและใจก็จะไม่ถือมัน่นยึดมันอะไรยึดมัน่นถือมั่นในที่นี้เราจะเห็นว่าท่านจะเรียกคาหา กาหะก็คือว่าตัญหารกราหะมานะ ก, กาหะทิฏฐิกาหะหรือเรียกว่าอุปาทานองค์ธรรมมต่างกันแต่นั้นเองอุปาทานจะมีสี่ข้อแต่ว่ากาหะจะมีแค่สามตรงนี้เป็นปปันจะทำเกิดธรรมะที่ทําให้เกิดความเลื่อนชา้าเราจะเห็นว่าแต่เราเข้าใจในตัวทุกขศาสตร์ได้กไปได้เยอะนะฮะไปได้เยอะเลยบรรลุมรผลนิพพานได้ เราเริ่มต้นที่ตัวทุกขษัตรย์แต่วาทุกข์ัตริย์นแหละเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้มันก็ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเป็นมักษัตริย์นะฮะแต่ทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นไอ้ตันสมุทัยสัตว์มันต้องลดไอ้ ต, ตันตนาไปก็ก็เป็นสมุทยัยตนาที่ที่ใเป็นพวกสมุทยัยแล้วก็นี้ลดก็เกิดแต่เราเริ่มต้นที่ทุกขษัตริย์ เพรเวลาอธิบายตรงนี้เราจะเห็นว่าตอนปลายจะเหมือนกันทั้งที่กายทั้งที่เบทนาทั้งที่จิตแล้วก็ทั้งที่ธรรมะในข้อหนึ่งที่ว่ามาแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพวกดวงนี้ทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดเนี่ยตอนที่เรียนนะักธรรมชนตรีเนี่ยสมเด็จพ ร, ร, ระอรรนัสส่งแปลว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาเลยก็เหมือนกันหมดนะฮะกับเปลี่ยนเฉพาะประฐานทีนี้ก็ทรงแสดงว่าบุคคลภิกษุทั้งหลายแนมะ้อย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัตสีอยู่ทั้ง ท, งทั้ที่ที่เป็นการมองที่ตัวตัวทุกข์กษัตริย์นะฮะแต่เราเองว่าเวลาเห็นเราจะเห็นหมดอนะเพอพวกนี้ที่จริงเขายึดโยงกันนี่ย แยกไม่ออกเลยซ้ำไปก็ยึดโยงถึ ง, ถงการกระเทืนทังกันทั้งบวกทั้งลบนะฮะก็วันก่อนยังก็ดีใจแทนพลเอกเสรีครับที่จัดให้มีรายการนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่ทลาะ ว, วันที่สิบเก้านะฮะ สี่สิบเก้าธันวาคมมีอดีตสารวัตรใหญ่แล้วก็เป็นอดีตนภพระหารแล้วก็สารดีกายกฟ้องยกฟ้องน่สารดีกานะแต่ไปค้างอยู่ในคุกตั้ง้าปีกว่ามันก็็กล้ๆอะไรคือว่าอาจจะมีวาสนาร่วมกันอะไรกระนะับม่ทาะเพราะว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยแม่มาเกิดสะดุดใจเอ๊ขนาดสารวัตรใหญ่จะทำอย่างนั้นเหรอ คือเราไม่คล่องใจในตํำรวจเล็กๆก็าอาจจะจริงนะฮะแต่วสาวัดใหญ่เราไม่นึกว่าน่าจะทําเราปรากฏว่าเป็นความคิดติดถูกประธานดิกาก็ยกฟ้องไปแต่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่แค้นมากไม่พอใจมากเพราะว่ามันมันไม่ยุติธรรมเลยแต่ว่าพอพอสานดิการ์เขาตัดสินแล้วก็เห็นว่าเออก็เป็นความถูกต้อง เพราะจริงๆเนี่ยเขาก็เพิ่งมาทีหลังเหตุการณ์มันเกิดไปตั้งนานแล้วแล้วก็เพึ่งมาแต่ว่าสิ่งที่เขาซึ่งงบแล้วก็เปลี่ยนความคิดได้สิ้นเชิงเนี่ยจากรายการเนี่ยรายการของผลเอกเสด็ที่จัดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาฟังรวนและจิตใจขขาละเมีิดละไมยเยอะนะเวลนี้ยุงย่งจะไม่ขาดตกเลยจิตใจละเมิดละไมามากแล้วก็มาผ่าปัญญามากราบที่กุติ ก็แสดงความกตัญญูกตเวทีเราก็ดีใจนะฮะคือการบรรยายธรรมะการเทศอะไรนะคือถ้าคนก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สักคนนเราก็โอเป็นบุญมากนะอย่าเราไปอบรมเด็กทิงสามสี่ร้อยห้ารอยเนี่ยนะกว่านมากก็ประมาณาสี่ร้อยห้าสิบรามานานละคือเด็กบางคนก็เปลี่ยนแปลงไปในทางทีดี แล้วก็มีแต่อนุโมทนามีแต่ปิติก็ดีใจที่ได้มีส่วนช่วยเกือนมนุษย์ด้วยกันเพราะงั้นธรรมะเนี่ยมันต้องคิดแล้วเวลาเขาพูดเ็าพูดเา็ดเาคุยตอ น, น, นมาช้างข้าวเนี่ยเขาคุยอะไรฟังปรากฏว่าเขาอ้างมาถูกหมดแหะที่ที่พูดเนี่ยเขาจำที่เป็นสู่เป็นสู่ที่มาพูดบ่อยเนี่ยว่า กิเลสมันลบทุสมันก็ลดทุสมันก็ลดธรรมะมันเพิ่มสุขมันก็เพิ่มจะทํำยังไงอ่ะสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มก็คือธรรมะสิ่งที่เราต้องลด ก, ก็คือกิเลสอย่างอื่นไม่เป็นผลก็พยายามทำในที่นี้ทรงกระจายออกไปรกระจายออกไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ทุกข์ษัตริย์เป็นชนไหน ตันี้เป็นนิปรยายาอย่างที่บอกว่านิปรยายาทรงเทศอย่างนี้ทุ ก, ท, ก, กทีก็แม้ชาติก็เป็นทุกแม้ชราก็เป็นทุกแม้มรณะก็เป็นทุกอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสภาวะมันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันสิ่งไม่มีชีวิตเ้าเรียกว่าเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าเกิดแก่ตายก็คือการนั้นแหละ นะเราเจนว่ากรอบของคำว่าทุกเนี่ยหมายถึงสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยผลชาติเองเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยชาติความเกิดของเราเนี่ยมาจากเหตุปัจจัยปัจจัยที่เป็นนามธรรมก็คืออวิชชาตันหกรรมไอตันหาวิญญาณไม่ใช่อวิชากรรมวิญญาณก็อวิชากกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ อวิชาก็ในความคำว่าอาวิชานี่ที่จริงมันมีวิชาอยู่ด้วยแต่ว่าท่านไปเรียกวิชาจริงๆมันอ้วนเหมือดไปดับอวิชาได้หมดนะ่ะตอนมรรลุอรหัตเป็นพรานนะตอนนั้นไม่มีอวิชาพอไม่มีวิชาบางก็ไม่มีสังขารไม่มีสังขารก็ไม่มีวิญญาณ แต่ว่าตราบใดที่เรายังเวียนไหอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยท่านยังเรียกว่าวิชาอยู่ทั้งๆที่ปริมาณของกุศลธรรมมันก็มีเยอะอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นทุกข์กิริยาอยู่ก็มีวิชาอยู่อวิชาดับดับเด็ดขาดจริงๆตอนปัจฉิมยามแห่งราตรีที่ทรงศัตรูคือทรงบรรลุอานสวะขยานตอนนั้นดับจริง เมื่อก่อนเมื่อก่อนลดความเข้มข้นลงไปกุศลธรรมเยอะแต่ว่าท่านไม่เอาเพราะว่ายังเบียนว่าให้ไตเกิดเพราะวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไอ้นามธรรมล้วนๆเราสังเกตนามธรรมล้วนๆเนี่ยพวเนี้ยอวิชากกรรมเนี่ยสร้างให้เป็นปริสุทธิวิญญาณมีคุณภาพต่ำหรือคุณภาพสูงก็ไม่รู้มันอยู่ที่ภูมิธรรมต่ำหรือสูงถ้าภูมิธรรมสูงภูมิจิตก็สูง ภูมิจิตก็สูงถ้าภูมิจิตสูงพบที่จิตปัจบัิก็สูงตามตรงนี้จึงโยงกันเลยโยงกันในกระบวนการของปัจเจกการเราจะเห็นว่าในส่วนของปัจจุบันใเหตุกับอนาคตผลนี่มันก็เหมือนกันคือเชื่อมโยงกันแต่ความเข้มข้นของตัณหาอุปาทานอวิชาตนาอุปาทานเนี่ยถ้าเข้มข้นก็ หมายความว่าธรรมะมีพลังต่ําภูมิจิตก็จะไหลไปตามกระแสของกิเลสมากกว่าธรรมะภูมิจิตก็เป็นอย่างนั้นเนั้นทำให้คุณภาพจิตเนี่ยตำ่ำพอคุณภาพจิตตำ่ำพบที่จิตจะไปบัติที่จริงตอนนี้ก็ยังเรียกวิญญาณทิติอยู่นะไปชนที่วิญญาณก็จะไปบังเกิดแต่ว่าที่ตั้งของวิญญาณจะยาว จะไม่ประณีตเพราะนั่นที่อยู่ก็เธอจะหยาบเพราะว่าวิญญาณติติกับสัตวาว่าแต่มันมันมันต่อกันเรียกคนละขณะในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดในคันมันก็มีมารดาบิดาร่วมกันมีบารดามีระดูมารดาบิดาร่วมกันแล้วก็พวกนี้ไปถือไปสนธิในคันตอนเรียกพระพุทธเจ้าเรียกมีเรียกว่าคันรัโพโภ แต่ว่าที่มาเรียกในภาษาของประเจการก็เรียกว่าวิญญาณรุ่นหลังท่านเรียกไปส่วนที่วิญญาณเพื่อให้ชัดเจนขึ้นเพราะววิญญาณมันเรียกหลายสถานะเพราะนพวกนี้จับใดที่ยังมีเหตุปัจจัยอย่างนี้อยู่ในการเกิดบรรยุไม่ได้ทีนี้ถ้าเราเกิดแล้วเราไปหยุดที่แก่ที่ตายไม่ได้แต่ตอนพระเจ้าทรงสอนพิจารณา แนวพิหาปัจเจกขณะจะเห็นว่ามีแก่มีเจ็บอยู่ด้วยนะมีเจ็บอยู่ด้วยเจ็บที่จริงมันเป็นทุกข์จรมันไม่ใช่ทุกข์จริงอ่ะมันทุกข์จรแต่ว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาในชีวิตมนุษย์อ่ะแก่เจ็บตายแต่กา ร, รพลาคสูญเสียเป็นปัญหาที่แก่ไม่ตกเรามีปัญหากับความแก่มีปัญหากับความเจ็บ มีปัญหากับความตายมีปัญหากับความพลาดพรากเพราะอะไรเพราะว่าตัณหามานะมันอยู่อะไรก็เป็นของเราของเราของเราเราเป็นเราเป็นเราเป็นมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวตนคล้ายๆกับเราจะอยู่คำฟ้าตลอดไปเพราะั้นการการมองในในความเป็นทุกข์สัตว์เนี่ยมันจะต้องเห็น ว่าจริงๆเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลไปตามเหตุปัจจัยทานนั้นเองไม่มีอะไรหรอกแต่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรคือบางครั้งบางคราวเนี่ยคือเราเห็นว่าวันก่อนญาติพี่น้องก็ตายแล้วก็คิดเวลาในว่าทานนทไมไปทรมานก็ทำไมคือเขาก็ตายแน่แต่ไปสายระโยงระยางไปฟอกใตอะไรกันอุตตลุดเลยทรมานว่าเปล่า แต่มานี้ตั้งใจเอาไว้อันถ้าแน่ใจว่าเราไม่รอดแล้วเราไม่ใส่สา ย, สายระโยงระยางอะไรเรายุ่งเราเปล่านอนจเจริญสมาธิพิจารณาดูเวทนาที่มันเกิดจะดีกว่าเยอะเลยดับก็ดับไปตอนไหนก็ดับอย่าไปยุ่งอะไรมันหนักหนาสบายสบายเพราะฉันพวกพวกนี้ถ้าเรายอมรับวอามันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอะไรมันก็คือมันเหตุจะเกิดเกิดจะเหตุปัจจัยสองเนี่ย ดำรงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆรักษาสภาพเดิมมันไม่ได้ในขณะเดียวกันมันจะถูกแผดเผาด้วยปัจจัยทั้งภายในภาย น, นอกอยะที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทุกข์ที่มันติดตัวมามันยุ่งที่สุด คือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจระปวดปสวัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายเนี่ยเปสเรื่องสิบเรื่องนะฮะทีเดียวนี่ยุง่งยุ่งกับเขาทุกวันเลยเสียเวลาไปเยอะกัเพราะพวกเราเนี้ยในขณะเดียวกันมันก็เกิดความรักความชังพอความรักความชังมันนำไปสู่ทุกจอน ที่เราสวดสอิปเดเวิเเรุเิมนัสเซหิปายาเซหิกวาไปเดยกยาวนะความโศความร่าไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจนะก็เป็นทุกข์อันนี้แสดงว่าไอ้สิ่งที่เรารักมันพัดพราจากไปเราเกิดเสียดายแต่เราสังเกตถ้าเราเห็นมันเป็ น, เ, นเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้อะ มันมาก่อนหรือ ม, มาหลังเรามันก็ไปก่อนก็ได้ไปหลังก็ได้เราไปก่อนเขาก็ได้ไปหลังเขาก็ได้เพราะในส ำ, สำนวนจีนที่พูดว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกราคือเขาเข้าใจว่าเขาเขาชัดเจนในเรื่องทุกขสัตว์ก็เป็นคํำคมนะฮะเป็นคํำคมยังนึกถึงว่าพวกนี้พวกเราพูดด้วยกันพูดด้วยกันพอสื่อสารแล้วก็ก็ซึ่ง ว่าประโยคแต่ละประโยคมันจะคมๆมมากนานเราจะเจอถ้าเราไปอ่านในในเอกสารของจีนของเกาหลีของญี่ปุ่นของอะไรแต่ไดของมองโกเลียของที่เบตแต่คมคมเยอะเพราะจริงๆเขาก็เข้าถึงธรรมะเพราะ่ะนถ้าเราเข้าใจว่าก็ธรรมดา คนที่เกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาได้ตายไปแล้วเนี่ยคิดไปมันก็เป็นเรื่องอะไรก็จะการทำศพไป ก, กันแล้วกันต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรไมันต้องเสียดายอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงมันคือการพราดพา ก, การพราดพลาดแทนที่จะตอนพิจารณานี่จะเอาเยอะมากก็ก็ไม่ดีเอาเอาแค่แค่คาเดียว เราจะต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจทางหลายทางบ่วงไปพวกนี้กระทั้งหมดเนี่ยความโศกก็ดีความรำไรราพันก็ดีความทุกข์กายก็ดีความทุกข์ใจก็ดีความกับแค้นใจก็ดีเนี่ยเป็นทุกข์ทีนี้อเนี้ยที่จริงมันมาจากความรักหรือความยินดีแล้วก็การประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักคือยินร้ายอะฮะยินร้ายมันไม่ชอบอะ ต้องไปนั่งกับคนที่เราไม่ชอบต้องไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบต้องเดินทางกับคนที่เราไม่ชอบนี่เครียดเลยคือเราไปคิดเอาเองอ่ะบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราไปคิดเราเองเห็นว่าตรงนี้คือใจมันไปไปไ ข, ขว่คว้าหาปัญหามาให้แก่ตัวเองคือเอาตัวเราไปเป็นผู้พราดาดมันก็ยุ่งแต่ถ้าพระดพากไปเนึง่งคติธรรมดามันก็ไม่มีอะไรอะ่ะ มันท่าท่ามันเป็นนิรันต์การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปเนี่ยไม่มีเพราะสังขารที่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีแต่สังขารที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นนิรัน์เพราะวัาเรื่องใจรักที่จริงเป็นเรื่องใหญ่มากนะหรือถ้าเราเข้าใจใจรักได้เราจับหลักของใจรักได้เนี่ยสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเยอะการโลภโมโทสันต่างๆนมันจะบรรเทาลงไป เรื่นี้เราก็เน้นที่การพัฒนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนน้นคือการพัฒนาเนี่ยคือการทำลายนะการได้คือการเสียมันไม่มีอะไรที่ได้โดยไม่ต้องเสียเดี๋ยวเสียที่ตรงไหนบนกงอนดูรายการเลยกินปูวลาสก้าโอ้โหมาจากอเมริกานี่มนุษย์นี่แปลกจริง ก็จานมเกือบสองพันี่กินอาหารมือมันเกือบสองพันเ 2, พื่อเดียวนะอันนี้ก็คืออะไรก็คือว่ามันเป็นอาการเขาตันหาแล้วก็เป็นอาการเขออาอัดตาก็รู้สึกตัวเองแน่ตัวเองเก่งนะฮะแล้วก็อยากจะกินฮแต่เราเห็นว่าพอกินมันก็คือเสเมตประโยชน์เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเลยมือนก็เข้าวครู่กปิ หรือแม้แต่ข้าคลุกน้ำปลาเนี่ยพออิ่มเราก็จบอะ่ะนันนี่อะไรแต่พอเราตั้หาเอามาแลเอาทิศทิเข้าไปเลยมันยุ่งทุกเถยตรงนี้เราเอาตั้หาเข้าไปตั้นหาเข้าไปมันก็เป็นทุกข์ถามว่าการพลาดพลาดสูญเสียเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงหรือเปล่ามันก็ไม่จริงอะ่ะอยู่ที่ว่าใครพลาดพลากจากใครอะไรพลาดพลากจากอะไรมันอยู่ที่ใจกําหนดเราเป็นของเราหรือเปล่าเรามีตั้หาในสิ่งนั้นหรือเปล่า เราไม่มีตำหาเราไม่มีมานะเราไม่มีทิฏฐิมันก็ไม่มีอะไรก็เยอะไปก็พลาดพลาด ก, กันทุกวินาทีอะเราเดือดร้อนอะไรอย่างบ้านเราเนี่ยเตายกันด้วยบัติเหตุเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งสี่สิบห้าคนเราไม่เคยเดือดร้อนแล้วก็ตักเตือนแล้วก็วิตกงังวลพอรุ่งควรก็ว่ากลากันไปเขาไม่เชื่อก็แล้วไปก็ไม่ได้ว่าอะไรคนทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของเขาตอนนั้นเองต้อังท่าไหร